มีคนมาโกรธเราเขาพูดเราว่าไอ้หมาหรือบักหมาหรืออีหมาว่ายังก็ได้ครับแต่คนที่โกรธเรานั่นแหละผมเข้าใจอย่างนี้ครับเขามาดูตัวเราทําไมเราเป็นคนจริงๆริงทไมเขาเรามาพูดว่าหมาให้เราผมเข้าใจโอคนที่โกรธให้เรานั้นจิตใจเขาเป็นหมาเป็นสุนัขเพราะสุนัขคือหมา น, น, นั่ยแหละบ้านผมเรียกว่าหมาจิตใจเขาเป็นสุนัข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 ถ้าเราไปฆ่าคนก็ไปฆ่าพระคุณเจ้าไปฆ่าพระธรรมไปฆ่าศาสนาผมเข้าใจอย่างนั้นครับจึงว่าผมกล้ายืนยันรับรองได้จริงๆอันวิธีที่ผมพูดนี้อันนี้ผมให้ระยะเวลาสามปีครับแต่ไม่ได้พูดถึงพระอรหันครับตอนนี้ครับให้จเจริญแบบจเจริญสติพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงยกมือไปเอามือมา เดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงยพิตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอิริยบทเหล่านี้นะทุกอิริยาบถนั่นเองครับแม่จิตใจนึกคิดก็ให้มีสติเข้าไปรู้ทุกขณะทุกเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองครับอันนี้รับรองได้ครับให้ทำติดต่อกันสามปีครับ อย่างนานนบไม่เกินสามปีครับแต่เรื่องพระอาหารหันต์พระเนี่ยบุคคลพระโซดาไม่ต้องพูดก็ได้ครับทุกหมดไปครับไม่มากก่าน้อยครับอย่างนานนสามปีนี่ครับอย่างกลางให้เวลาหนึ่งปีครับอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันรี่ว่าสามเดือนครับทำจริงจริงติดต่อกันจริงๆแล้วอย่างน้อยที่สุด จะไม่หลงงมงายดูเลืกดูงามเนะ่จะไม่งมงายจะไปไหว้ผีและจะไม่อ้อนวอนขอร้องจากใครที่ไหนทั้งหมดอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นอย่างนี้หายจากคมสงสัยเรื่องนี้เรื่องนรกสวรค ร, รครรตต์ต้องหายจริงๆครับเรื่องมาคูบุรีเรื่องสิ่งเสพติดเนี่ยต้องหายจริงๆครับเรื่องนี้อันค่มไม่รู้เนี่ยมันเป็นบาปอย่างหนักที่สุดครับในโลกนี้ บาปหนักที่สุดคือความไม่รู้ครับผมก็เลยพูดอย่างนี้อันบุญมากที่สุดคือความรู้แจ้งความเห็นจริงความเข้าใจจริงนี่เองครับไม่อื่นไก่เมฆฝ้าจะไปเกาะอยู่กับดวงอาทิตย์ไม่ได้จิตใจของเราก็เหมือนกันอันข่มโกรธข่มโลรคข่มหลงนั้นจะไปเกาะอยู่กับซีวิตจิตใจของเรานี่ยเกาะไม่ได้มันมาบางังไม่ให้เราเห็นไม่ให้เรารู้ เพราะเราทําไปตามอิยธิบทของเรานั่นเองเราไม่เคยกําหนดรู้เมื่อเราไม่กําหนดรู้แล้วมันก็เลยรู้ไปเราไม่เคยเบิ้งของจริงคือไปดูคนนั้นไปดูคนนี้คนนั้นรวยคนนี้จนคนนั้นสวยคนนั้นไม่สวยเราไปดูอย่างนั้นครับอันนี้แหละท่านพุรูษก็เลยกล่าวเอาไว้ว่าคนลืมตัวเรียกว่าคนประมา คนประมาดนี่เหมือนกับคนตายแล้วท่านวันยังคนตายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตายเน่าเข้าโรงครับคือจิตใจมันเปียกแฝกเนา่าเหม็นอยู่ครับอันนี้มันตายจริงๆตายอันนี้แหละครับมันเหม็นกว่ากองอุจจาไปครับเนี่ยผมเคยพูดอย่างนี้ครับดังนั้นพวกเรามาที่นี่ทําตัวของตัวให้เป็นเม็ดข้าวอ้วน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 ในข่าวนั้นท่านจะมาคุยผมผมเห็นท่านเดินมาผมทีแรกผมก็ต้องคุยกับเขาต่อมาสองครั้งสามครั้งแล้วผมไม่ต้องคุยเลยพอดีเห็นหนายห้อยพรมุกเดินมาหาผมกดผมกดลงหนีเลยไปเดินจมกองอยู่คนเดียวท่านก็มานั่งอยู่พุฏิมานั่งอยู่บันไดคอยผมผมไม่เข้ามานานๆเท่านนี้แต่คนเดียวไม่ถึงสองครั้งสามครั้งท่านก็ไม่ต้องมาแล้ว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 ผมไปสนธนาท่านตั้งแต่ตอนเย็นหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าถามวิธีทำยังไรทำยังไรถามทั้งนั้นถามเพื่อความเข้าใจสุดท้ายท่านก็เลยพูดเอาให้ว่าต้องมาทำเองจึงจะรู้การพูดให้ฟังเนี่ยมันรู้ได้ยากถ้าหากว่า รู้ได้ดีที่พูดให้ฟังแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็รู้ได้ท่านว่าอย่างไนเรื่องนี้ผมจำไว้เป็นระยะเวลาสองปีครับแต่ผมพิจารณาอยู่อย่างนั้นหนึ่งจาเป็นผมก็เลยหาโอกาสหาวิธีไปปฏิบัติเองเมื่อผมไปปฏิบัตินั้นผมเป็นโยมเป็นครวาส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 หมาจ้องหมากัดจินเนื้อเราเราก็ขึ้นไปอยากให้มันบิดปากสุนัขด้วยหมานี่หนามี้ซ้องลงมาบัด น, นี้เมื่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็มีมีแรงมีการสับสีสะก็ถอยตัวลงมาหนามมี้ก็ซ้องขึ้นไปผมไปเห็นรูปภาพในใจเปนกลัวกลัวบาปกลัวควมชั่วร้ายเนี่ยกลัวจริงๆ ผมจึงไม่สามารถที่จะทําอย่างนั้นได้แล้วก็ไปเห็นคนที่นอนในแพทย์เหล็กแดงแล้วเอาเสื้อเหล็กดีดบรรทัดลงไปแล้วก็มีจ้ายมพิบาลท่านเอาขวานเหล็กขวานทองไปทากแล้วก็มีเลือดเต็มอยู่ยนมันล่ะทากแล้วก็จับโยโนลงมโนโลกอีกแล้วผมเห็นอย่างนั้นผมโกรวจิตใจมันโกรวครับไม่สามารถที่จะทำขมชั่วได้ แต่ผมหาวิธีทางเพื่อจักให้มันบิดไปจักสิ่งเหล่านั้นผมคิดฝังแน่นอยู่ในใจตื่นมาเป็นวันเก้าค่ำค่าวันนั้นวันเก้าค่ำผมทําทั้งวันเลยครับทําจริงๆทําให้ติดต่อผมไม่ทําการอะไรทั้งหมดเมื่อสร้างจังหวะก็เดินจมกรมเมื่อเดินจมกรมก็สร้างจังหวะวิธีนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาอย่างที่วิธี ทำมาอย่างก่อนๆนันะวันเก้าคําทาทั้งวันตอนเย็นมาก็ไปอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็มาทําจนอยากนอนอยากนอนก็ต้องนอนนอนตื่นแล้วประมาณจากสามชั่โมงนอนครับ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 พอดีทําอยู่อย่างนั้นอาจารย์หลวงพ่อวันทองท่านเลยไปให้อารมณ์ท่านก็เลยไปไปไ ป, ไปย่อไปหยั่นเหมือนบ้านผมก็เรียกว่าไปตำหนิที่ว่าอย่างไรก็ได้ทำไมสมนําหน้ากันมาอย่างนั้นพอดีหลวงพ่อวันทองว่าสมนําหน้านี่เอ๊ะผมก็เลยกลับแนวความคิดเอ๊ะทําไมหลวงพ่อเนี่พูดอย่างนี้แน่เรารู้ธรรมะมีความสงสาร ในสรรพสัตว์ทางหลายหลวงพ่อทำไมวัดสมนํำหน้าให้เราผมก็เลยเลยคิดขึ้นเป็นควอมใหม่เลยบัดนี้ปีติเนี่ก็เลยค่อยลดลงลดลงแต่มันเกิดควมรูขึ้นมาบัดนี้ควอมรูสนิทมันฟุ้งขึ้นมาทีหลังนี่แหละผมไม่รู้มันครับมันรู้ไปทุกแง่ทุกมุมครับรู้ไปแม้มันรู้จนไม่มีทางสิ้นจบครับผมเลยไม่ได้รู้ผมไมคิด มันก็เลยเข้าไปในควมคิดอันนี้แหละที่ผมว่าอย่าเข้าไปในควมคิดตอนที่ผมรู้ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอนเช้าครับจนถึงหกโมงเย็นใช่ไหแต่อาบน้ำมันรู้มันเป็นวิปัสนาผมไม่รู้วิปัสนาวิครับวิปัสนานีนสมมุติให้ฟังครับเหมือนกับคนเป็นบ้าผมมาทำความเข้าใจกับเพื่อนทดลองดูเหมือนกับคนบ้า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 หรือเป็นเพื่อนเราก็ดีเป็นอายเป็นลุงเราจะเป็นอย่างเขาตามเธอว่าอยากกินเธอเหล้าเนี่ยมันเมาพอแล้วคนเมาเหล้านั่นบอกว่าเราไม่เมาเอาไม่ให้เรากินมันเป็นอย่างนั้นยิ่งกินก็ยิ่งเมาคนเมาเหล้าตอนผมเป็นวิปัสนุ น, นผมก็ยิ่งพูดโอโหมันมีความสามารถที่จะไปแก้ปัญหาคนนั้นไปแก้ปัญหาคนนี้ ยืนบางครั้งบางข่าวผมเดินจมกลมยืนแสดงธรรมครับยืนแสดงคนเดียวแสดงอยู่ในใจแต่มันไม่ออกเสียงบางครั้งมานั่งสร้างจังหวะมันก็ยังแสดงอยู่ยาง น, นแสดงให้เทวดาฟังแสดงให้ผีฟังอะไรมันไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นนะคนเป็นวิปัสนาเขรู้วิปัสนาคนเป็นวิปัส น, ส น, น, น, สนูไม่รู้วิปัสนูผมเองอันนี้ คนอื่นอาจจะรู้ก็ได้เนสําหรับผมเองผมเป็นนิพพานูผมไม่รู้ตอนเย็นมาไปอาบน้ําอาบน้ําผมมาเดินจมกรมที่ระยะผมเดินจมกรมทางเดินจมกรมนั้นประมาณจากสามบาหรือสามหวาโก้เนี่ยนะครับมันมีต้นมะทันมะพุทธานี่ครับแล้วนกะับต้นสมเพล อ, อยกัต้นหอยนะครับมันตรงกัน ผมก็เดินจมกอมอยู่ที่นั่นนะเดินไปเดินมาผมไม่เคยเห็นผมคิดผมแต่มันคิดอย่นันผมรู้มันไม่เคยดูผมคิดเดินไปเดินมามันคล้ายๆ ค, ค, คือมีคนมาผลักข้างผมมูกนึงผมก็เลยเอ๊ะอะไรมาผลักมาดันเียว่ามาสุกบ้านผมเรือมันมาสุกอะไรอย่างอันว่าตามภาษาพวกเราก็เรียกามาผลักมาดันอย่างนี้น อะไรมาผักดันเราก็มองเห็นมองมันเลยไม่เห็นอะไรเอ๊ะอะไรมาผักดันเราผมก็เดินไปอีกไม่นานครับเดี๋ยวมันก็คิดวูบขึ้นมาอีกแล้วครั้งที่สองนี่ครับเอ๊ะมันมาจากที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้มันคิดทีนี้แต่ผมไม่รู้ส ม, มุฐานของผมคิดครับอันนี้พอดีมันคิดวูบขึ้นครั้งที่สามนี่ผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจ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 ผมที่อามาเลานี่ผมก็กล้ายืนยันรับรองคำพูดของผมว่ามันไปตรงเอากับคำพูดของพระพุทธเจ้าไว้ยังไงครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเลยครับตอนที่ผมรู้รูปนามนั้นผมรู้จักเรื่องสมมุตริรู้จักจริงๆครับผมไม่งมงายผมเลิกในขณะนั้นผมสูบบุหรีครับผมติดบุหรีผมเห็นทุกจริงๆครับทุกเนบระโทหายใจเข้ากระทุก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 ผมกำลังทำข่าวนั้นมันรู้เรื่องสมมติครับอันนี้ตอนผมรู้ความคิดนี่แหละครับตอนผมรู้ความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดรู้สมุติฐานของความคิดที่เกิดของความคิดนี่แหละครับผมเลยนึกว่าความโกรธความโลภความหลงนี้ผมทำลายได้อย่างน้อยที่สุดห0สิเปอร์เซต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 มันต้องจิตใจเปลี่ยนอย่างนี้เปลี changing, mind, like ่ยนจากสภาพความงอมาอยู่ความสลาดเปลี่ยนจากสภาพความไม่รู้มาอยู่ความที่รู้เปลี่ยนจากสภาพความหนักมาอยู่ความเบาเปลี่ยนจากสภาพความเป็นพุทธสนมาอยู่ความเป็นอริยบุคคลผมข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้รับรองได้ปฏิบัติอย่างนี้ครับ ผมรับรองคาพูดมาตั้งแต่วันนั้นเนี่ยครับจนถึงบัดนี้ครับตอนนี้ผมรู้จักวิปัสสนาวบัต้ครับโอ้ที่เราเป็นกลางวันนี่แม้เราเป็นวิปัสสนาวปันาวิวิปัสสนาวันาวป็นอย่าวิปสนี้ผมเข้าใจจริงๆผมจึงไปเห็นคนเป็นวิปัสสนาิปัสนาวิปัน า, านวิปันปันปนาาวนาวิปัสสนาวาาวิปัสาปันปันัสั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 ทีแรกเมื่อผมรู้รูปนามผมเข้าใจว่าผมได้ปฐมมรรอันนั้นไม่ถูกต้องที่ผมว่าผู้ผมเองนะเรื่องนี้ที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะเข้าใจว่าผมนี่พูดอวดอุตริมนุษย์ศาสาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติผมเข้าใจทันทีครับบัด น, นี้ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดอวดครับผมพูดความจริง พูดอุตตลิมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในเราทำอันนี้มันมีในคนครับแต่คนไม่รู้ไปพูดขึ้นมานั้นเรียกว่าพูดอวดถ้ามันรู้จริงๆไม่เป็นการพูดอวดครับเรื่องนีร้รู้ตอนนี้มันก็เลยยังยังไม่แก่มใสแต่รู้แล้วครับมันเกิดปีติครับแบบนี้ มันเกิดปีติภูมิใจในผมรู้ในอารมณ์ของตัวเองเห็นเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้อันนี้ผมก็เลยหมดพุกเรื่องขมโกรธขมโลภขมหลงนี่มันไม่ได้มีแล้วฉะนั้นเรื่องขมโกรธขมโลภขมหลงนี้ถ้าหากเราเห็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วมันกวัวจริงๆครับผมเข้าใจเรื่องนี้อันนี้จิตใจผมเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อผม